จันทกุมาราชาดกว่าด้วยจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมีพระเจ้าเอกราชผู้มีกรรมหยาบช้าประทับอยู่ในกรงปุกพาวดีเท้าเธอตรถามขันธาระปุโรหิตผู้เป็นเผ่าพันแห่งพรามผู้เป็นคนหลงว่าท่านพรามท่านฉลาดในสุจริต ธ, ธรรมและอาจารวิไยขอจงบอกทางสวรรค์แก่เรา อย่างที่นรชนทําบุญแล้วจากโลกนี้ไปสู่สุคติภพเถิดขันธหาลปุโรหิตกล่าบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพเรานรชนให้ทานยิ่งกว่าทานข้าคนที่ไม่น่าจะฆ่าทาบุญแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้อย่างนี้พระราชาตรัสว่าก็าทานที่ยิ่งกว่าทานนั้นคืออะไรและคนจำพวกไหนเป็นผู้ไม่น่าจะฆ่าในโลกนี้ ขอท่านจงบอกข้อนั้นแก่เราเราจะบูชายันจากให้ทานขันธหาราปุโรหิตกลาบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพควรบูชายั์ด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีชาวนิคมโคอุสภ ร, ราชและมาอาชาในอย่างละสี่ควรบูชายันด้วยของครบอย่างละสี่พระเจ้าค่ะ ในพระราชวังมีเสียงระเบงแซงแซ่เป็นอันเดียวกันเพราะได้ยินคำว่าพระกุมารพระกุมารีและพระมเหสีจะถูกประหารพระราชาตรัสว่าขอพวกท่านจงไปทูลพระกุมารทั้งหลายคือจันทกุมารสุริยกุมาพรพัทธเสนกุมารสุรกุมารและวามะโคตะกุมารเถิดว่าได้ยินว่าพวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่ในที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่การบูชายันขอพวกเจ้าจงไปทูลพระกุมารีทั้งหลายคืออุปเสนากุมารีโกขิลากุมารีมุติตากุมารีและนันทากุมารีเถิดว่าได้ยินว่าพวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในที่เดียวกันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันอันหนึ่งพวกเจ้าจงไปทูลพระนางวิทยาพระนางเอราวดี พระนางเจสินีและพระนางสุนันทาผู้เป็นมเหสีของเราผู้ซึ่งประกอบด้วยลักษณะอันประเสริฐเถิดว่าได้ยินว่าพวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในที่เดียวกันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันพวกท่านจงไปบอกพวกข้าบดีเคอปุญ น, นมุขข้าบดีพัทธิยะข้าบดีสิงคาละข้าบดีและวัฒทะข้าบดีเถิดว่าได้ยินว่า พวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในที่เดียวกันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าข้าพเดีเหล่านั้นมีบุตรและพัญญามากต่างก็มาพร้อมกันณนะที่นั้นได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงไว้จุกแก่ข้าพระองค์ทั้งหมดเถิดอีกอย่างหนึ่งขอให้ทรงประกาศพวกข้าพระองค์เป็นข้าท่าเถิด พระราชาตรัสว่าพวกท่านจงรีบนำช้างทั้งหลายของเรามาคือช้างอภยังกอนช้างนาลาคีรีช้างอัจจุคตะช้างวรุณทันตะช้างเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับการบูชายันพวกท่านจงรีบเป็นนำม้าอัสดรของเรามาคือม้าเกสีม้าสุรามุขะม้าปุนณกะม้าวินตะกะ มาเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กัการบูชายันขอพวกท่านจงรีบเป็นนาเอาโคอุสภะของเรามาคือโคยูธปะติโคอโนชาโคนิสภะและโคควัมปติจงต้อนโคเหล่านั้นทั้งหมดเข้าเป็นหมู่เราจะบูชายันจากให้ทานพวกท่านจงตระเตรียมยันทุกอย่างไว้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะบูชายัญ พวกท่านจงบังคับเหล่ากุมารมาว่าจงเรื่นรมตลอดราตรีนี้เถิดพวกท่านจงตั้งยันทุกอย่างไว้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะบูชายันพวกเจ้าจงไปทูลพระกุมารณบัตนี้วันนี้แหละเป็นคืนสุดท้ายพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระมารดาเสด็จมาจากพระตำหนักทรงกันแสงพลางตรัสถามพระเจ้าเอกราชนี้นั้นว่า ลูกรักได้ยินว่าพ่อจกบูชายันด้วยพระโอรสทั้งสี่หรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อจะต้องฆ่าจันทกุมารบุตรแม่ทุกคนหม่อมฉันก็สละได้หม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจกไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่ออย่าเชื่อคานั้นที่ว่าสุคติจะมีได้เพราะใช้บุตรบูชายัญเพราะว่า นั้นเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกคนทัญญาเอย๋ยพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นทางไปสู่สุขติและทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะใช้บุตรบูชายัญพระราชากราบทูลว่าคำของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่หม่อมฉันจักฆ่าทั้งจันทกุมารและสุริยะปุมารหม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายที่สละได้ยากแล้ว จาไปสู่สุขติโลกสวรรค์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าแม้แต่พระเจ้าวาสวรดีพระราชบิดาได้ตรัสถามพระราชโอรสของพระองค์นั้นว่าลูกรักได้ยินว่าพ่อจักบูชายันด้วยโอรสทั้งสี่หรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อจะต้องฆ่าจันทกุมารบุตรแม้ทุกคนหม่อมฉันก็สละได้ หม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจกไปสู่สุกติโลกสวรรค์พระราชบิดาตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่ออย่าเชื่อคำนั้นที่ว่าสุกติจะมีได้เพราะใช้บุตรบูชายันเพราะว่านั้นเป็นทางไปเนรกไม่ใช่ทางไปสู่สวรรค์ลูกคนธัญญะเอ๋ยพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นทางไปสู่สุกติ และทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะใช้บุตรบูชายันพระราชากราบทูลว่าคําของอาจารย์ทั้งหลายมีว่าม่อมฉันจักฆ่าทั้งจันทกุมารและสุริยะกุมารหม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายที่สละได้ยากแล้วจักไปสู่สุขติโลกสวรรค์พระราชบิดาตรัสว่าลูกโคนทัญญาเอย๋ยพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง พ่อจงเป็นผู้มีบุตรห้อมล้อมรักษาลัฐและชนบทเถิดจันทกุมารกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข่าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข่าพระองค์ให้เป็นฆ่าทาสของขันธหาาปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข่าพระองค์จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกฆ่าพระองค์เลย โปรพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธทหารแลบุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จะได้ข่าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธทหาลบุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลม้าให้เขาได้ ข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข่าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข่าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธหาและปุโรหิตตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดถึงแม้พวกข่าพระองค์จะถูกขับไล่จากแคว้นก็จะเที่ยวพิษขาจานเลี้ยงชีวิตพระราชาตรัสว่าพวกเจ้าพากันพเพิ่มเพลอยู่เพราะรักชีวิตได้ก่อทุกข์แก่เราแท้จงปล่อยพวกพระกุมารไปณบัด น, นี้เถิด เราขอเลิกการใช้บูบชายันคันธทหารและปุโรหิตกราบทูลว่าเมื่อก่อนทีเดียวข้าพระองค์เรียกราบทูลพระองค์แล้วว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากเกิดได้แสนยากเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทายันที่พวกข้าพระองค์ได้ตรเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายไปเล่าชนเราใดบูชายันเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันแทนก็ดี และอนุโมทนามหายันเช่นนี้ของเหล่าชนผู้กำลังบูชาอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติจันทกุมารกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพเพราะเหตุไรเมื่อก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พวกพราหมณ์กล่าวคำสวัสดีแก่พวกหมอมชันมาภายหลังพระองค์จะรับสั่งฆ่าพวกหมอมชันเพื่อต้องการจะบูชายันโดยหาเหตุมิได้ข้าแต่พระบิดา เมื่อก่อนเวลาที่พวกหม่อมฉันยังเป็นเด็กหนุ่มพระองค์ไม่ได้ทรงฆ่าเองและไม่ได้ทรงรับสั่งให้ผู้อื่นฆ่าบัดนี้พวกหม่อมฉันถึงความเจริญวัยเป็นหนุ่มแน่นแล้วม่ได้คิดประทุษร้ายต่อพระองค์เลยเพราะเหตุไรจึงจะถูกฆ่าข่าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรข่าพระองค์ทั้งหลายผู้ขึ้นขี่ช้างและมา้า ผูกสอดเครื่องรบได้ออกรบแล้วหรือกำลังสู้รบบุตรทั้งหลายผู้กล้าหาญดังเช่นพวกค่าพระองค์ย่อมไม่ควรที่จะต้องถูกฆ่าเพื่อประโยชน์ในการบูชายันเมื่อเมืองชายแดนหรือเมื่อพวกโจรในดงกำเริบชนทั้งหลายย่อมใช้คนเช่นข่าพระองค์ค่าแต่พระบิดาแต่พวกค่าพระองค์จะถูกฆ่าในสถานที่ที่ไม่สมควรโดยหาเหตุมิได้ ข้าแต่สมุติเทพแม่นกที่เกื้อกูลเหล่าใดพากันทำรังอยู่ลูกนกทั้งหลายเป็นที่รักของแม่นกเหล่านั้นส่วนพระองค์รับสั่งให้ข้าผู้ข่าพระองค์เพราะเหตุใดข้าแต่สมุติเทพย่ยได้ทรงเชื่อขันธหรลปุโรหิตขันธหรลปุโรหิตไม่พึงฆ่าข่าพระองค์เพราะเขาฆ่าข่าพระองค์ได้แล้วก็จะพึงฆ่าพระองค์ในอันดับต่อไปข้าแต่มหาราช พระราชาทั้งหลายย่อมพระราชทานบ้านอย่างดีนิคมอย่างดีแม้แต่พวกกษัพรย์แก่พรามนั้นอันหนึ่งพวกพรามนั้นแม้ได้ข้าวและน้ำอันเลิศในตะกกลย่อมบริโภคในตะกูลข้าแต่มหาราชพวกพรามย่อมปรารถนาเพื่อประทุษร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นแม้เหล่านั้นเพราะโดยมากพวกพรามแม้เหล่านี้เป็นคนอากตันยูพระเจ้าค่ะ ข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์อย่าเดียกข้าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธะหาละปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาได้ข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์อย่าเดียกข้าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธะหาละปุโรหิตเถิด ถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าดวยค้าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันธทหารลับุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลม้าให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อ <Anyways>, ย่าด่าขาพวกข้าพระองค์เลย โปรพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสของขันทะหาลปโรหิตตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกขับไล่จากแคว้นเพราะจากที่กพิกขาจารเลี้ยงชีวิตพระราชาตรัสว่าพวกเจ้าพากันพร่ำเพรออยู่เพระรักชีวิตได้ก่อทุกข์แก่เราแท้จงปล่อยพวกพระกุมารทั้งหลายไปในะบัดนี้เถิดเราขอเลิกการใช้บุตรบูชายัญ คันธาระปุโรหิตกราบทูลว่าเมื่อก่อนทีเดียวข้าพระองค์ได้ยกราบทูลพระองค์แล้วว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากเกิดได้แสนยากเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทํายันที่พวกข้าพระองค์ได้ตระเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายไปเล่าชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันแทนก็ดีและอนุโมทนามหายันเช่นนี้ของเหล่าชน ผู้กำลังบูชาอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติจันทกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาพรามจงบูชายก่อนเถิดขอพระองค์ทรงบูชายันตามในภายหลังถ้าชนทั้งหลายบูชายันด้วยบุตรทั้งหลาย จุติจากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังไดย้ยินมาขอขันธหาและพราหมณ์ผู้นี้แหละจงบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายของตนเถิดถ้าว่าขันธหาแลพราหมณ์รู้อยู่อย่างนี้ทําไมจึงไม่ฆ่าบุตรของตนไม่ฆ่าคนที่เป็นญาติทุกคนและตนเองเล่าชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายัญแทนก็ดีและอนุโมทนามหายัญเช่นนี้ ของเหล่าชนผู้กำลังบูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่นรกทุกคนก็ถ้าว่าคนผู้ฆ่าผู้อื่นจะบริสุทธิ์ได้แม้คนผู้ถูกฆ่านั้นก็เข้าถึงแดนสวรรค์ได้พวกพราหมณ์ก็ควรฆ่าพวกพราหมณ์และพวกคนที่เชื่อพราหมณ์เหล่านั้นด้วยดังที่ได้ยินมาพ่อเรือนและแม่เรือนผู้รักบุตรที่มีอยู่ในนครนี้ทำไมจึงไม่ทัดทานพระราชาว่า ยะทรงฆ่าบดพวกเกิดแต่ตนเลยดังที่ได้ยินมาพ่อเรือนและแม่เรือนผู้รักบุรที่มีอยู่ในนครนี้ทําไมจึงไม่ทัดทานพระราชาว่าอย่าทรงฆ่าบดผู้เกิดแต่ตนเลยเราเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์แก่พระราชาและเป็นผู้เกื้อกูลแก่ชนบททั้งมวลใครๆก็ไม่พึงมีความแค้นเคืองกับเราชาวชนบททั้งหลายไม่ช่วยกราบทูลเนีพระองค์ได้ทรงทราบเลย <ส>แม่เรือนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระบิดาและวิงวอนขันทะทหาและพราหมว่าขออยากฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสีแม่เรือนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระบิดาและวิงวอนขันทะทหาและพราหมว่าขออย่าฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้เป็นบุคคลตัวอย่างที่หวังของชาวโลกทั้งมวล ชนไหนหนอเราเพิ่งเกิดในตระกูลแช่งรถตระกูลปุกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาก็ไม่พึงรับสั่งให้ข่าเราในการบูชายันวันนี้จันทกุมารตรัสกับพระชายาทั้งหลายว่าเจ้าผู้มีความคิดทั้งปวงจงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าขันทหาละเรียนว่าเราไม่ได้เห็นความผิดเลยเจ้าผู้มีความคิดทั้งปวง จงไปมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าขันทหละเรียนว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายได้ประทุษร้ายอะไรท่านพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเสลาราชกุมารีผู้ควรการุณทรงเห็นพระพาดาทั้งหลายที่เขานำมาเพื่อบูชายันจึงทรงคร่ำครวญว่าได้ยินว่าพระปิดาของเราทรงปราถนาสวรรค์ รับสั่งให้ตั้งพิธีบูชายันขึ้นพระวสุละราชนัดดากลิ่งเกลือไปมาต่อพระพักของพระราชากราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระบาทยังเป็นเด็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มขอพระองค์ได้ทรงโปรดอย่าฆ่าพระบิดาของข้าพระบาทเลยพระราชาตรัสว่าวสุละนั่นพ่อเจ้าเจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าพากันพร่ำเพ้ออยู่ในพระราชวัง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 ชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีใช้ผู้อื่นบูชายันก็ดีและอนุโมทนามหายันเช่นนี้ของเหล่าชนผู้กําลังบูชายอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติข้าแต่พระเจ้าเอกกราชข้าพระองค์ได้ตระเตรียมจัดแจงยันด้วยแก้วสารพัดไว้เพื่อพระองค์แล้วเชิญเสด็จออกเถิดพระองค์ทรงบูชายันแล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์ บันเทิงพระหรทัยพระเจ้าค่ะหญิงสาวเจ็ดร้อยคนนี้เป็นพัญยาของจันท ก, กุมารต่างสยายผมร้องไห้เดินไปตามทางส่วนหญิงอีกพวกหนึ่งก็ออกไปด้วยความเศร้าโศกเหมือนเหล่าเทวดาในอุทยานนันทวันต่างสยายผมร้องไห้ไปตามทางหญิงเจ็ดร้อยพร่ำเพ้อว่าจันท ก, กุมารและสุรยกุมารทรงผ้าควันกาสีอันขาวสะอาด ประดับกุนทนไล่ทากลิศนาและจุลแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปบูชายัน์เพื่อพระเจ้าเอกกราชจันทกุมารและสุริยากุมารทรงผ้าแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไล่ทากลิศนาและจุลแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าโศกพระหฤทัยให้แก่พระมารดาจันทกุมารและสุริยกนนากุากกาาา ม, ากมารทรงผ้าแควนกาสีอันขาวสะอาด ประดับอุนทนและทากฤษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชาชนจันทกุมารและสุริยกุมารเสวยพระกรัยาหารที่ปรุงร้รสเนื้อที่ช่างสนานให้สงสนานดีแล้วประดับอุนทนและทากฤษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปบูชายัน์เพื่อพระเจ้าเอกราช จันทกุมารและสุริยกุมารเสวยพระกรยาหารที่ปรุงด้วยรสเนื้อที่ช่างสนานให้สงสนานดีแล้วประดับวุน่นทนไล้ทากฤษณาและจุนแก่นจันทร์ถูกนำไปทำความเาศร้าโศกพระหฤทัยให้แก่พระราชชนนีจันทกุมารและสุริยกุมารเสวยพระกรยาหารที่ปรุงด้วยรสเนื้อที่ช่างสนานให้สงสนานดีแล้วประดับวุน่นทน ไรทากฤิษณะและจุนแก่นจันทร์ถูกนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชาชนเมื่อก่อนพลช้างตามเสด็จจันทกุมารและสุริยกุมารผู้เสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐวันนี้จันทกุมารและสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จําเนินด้วยพระบาทเมื่อก่อนพลมา้าตามเสด็จจันทกุมารและสุริยกุมารผู้เสด็จทรงขึ้นหลังม้าตัวประเสริฐ วันนี้จันทกุมารและสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเมื่อก่อนพลรถตามเสด็จจันทกุมารและสุริยะกุมารผู้เสด็จขึ้นทรงรถคันประเสริฐวันนี้จันทกุมารและสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเมื่อก่อนจันทกุมารและสุริยะกุมารที่ราชบุรุษเชิญเสด็จออกด้วยม้าทั้งหลายที่ตกแต่งเครื่องทอง วันนี้จันทกุมารและสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทมหาชนเพอว่านกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อก็จงบินไปทางที่ตะวันออกแห่งปุกพรวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกกราผู้ทรงหลงงมงายจะทรงบูชายันด้วยพระโอรสสี่พระองค์นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้ ก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพาวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราษผู้ทรงหลงงมงายจะทรงบูชายันด้วยพระธิดาสีพระองค์นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพเวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราษผู้ทรงหลงงม ง, งายจะทรงบูชายันด้วยพระมเหสีสีพระองค์ นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพพาวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกกราชผู้ทรงหลงงมไงจะทรงบูชายัญด้วยข้าบดีสี่คนนกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อจงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพพาวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกกราชผู้ทรงหลงงมางจะทรงบูชายัญด้วยช้างสี่เชือก นกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อจงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพาวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้ทรงหลงงมงายจะทรงบูชายัน์ด้วยม้าสี่ตัวนกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อจงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพาวดีนครเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้ทรงหลงงมงายจะบูชายัญด้วยโคอุสภราชสี่ตัว นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อจงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพาวดีนครเถิดณนะที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้ทรงหลงงมงายจะบูชายันด้วยสัตว์ทุกจำพวกอย่างละสี่นี่ปราสาทของท่านล้วนด้วยทองคําห้อยระยะด้วยพวงมลาลัยดอกไม้บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชน นี่เรือนยอดของท่านล้วนด้วยทองคำห้อยระยะด้วยพวงมาลัยดอกไม้บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชนนี่พระอุทยานของท่านมีดอกไม้บานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมย์ใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่าอโศกของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมย์ใจ บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่ากัิกาของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่าแคฝอยของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปลงพระชน นสวนมะม่วงของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปรงพระชนนิ่สโบครณีของท่านที่ดาวรดาษไปด้วยดอกบัวหลวงดอกบัวขาวและเรือที่กระจิตด้วยทองคํางดงามด้วยลวดลายเคลือวันสุดแสนที่จะน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ ถูกเขานำไปเพื่อปรงพระชนนี่ช้างแก้วของท่านเป็นช้างงามีกำลังชื่อเอาราวันบัด น, น, น, น, น, น, นี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปรงพระชนนี่ม้าแก้วของท่านเป็นม้าเร็วมีกีบไม่แตกบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปรงพระชนนี่รถม้าของท่านเวลาเล่นไปมีเสียงดังกล้องไพระ เหมือนเสียงนกสาลิกาสวยงามตราการตาด้วยแก้วซึ่งเป็นที่ที่พระลูกเจ้าประทับเสด็จไปงดงามเหมือนพวกเทวดาในพระอุทยานนันทวันบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปรงพระชนทำไมหนอพระเจ้าเอกกราชผู้ทรงหลงงมงายจากทรงบูชายันด้วยพระราชโอรสทั้งสีพระองค์ผู้งดงามทัดเทียมกับทอง มีพระวรกายอันอ่อนโลมด้วยจุลแก่นจันทร์ทำไมหนอพระเจ้าเอกกราชผู้ทรงหลงงมงายจากทรงบูชายันด้วยพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ผู้งดงามทัดเทียมกับทองมีพระวรกายอันอ่อนโลมด้วยจุนแก่นจันทร์ทำไมหนอพระเจ้าเอกกราชผู้ทรงหลงงมงายจากทรงบูชายัญด้วยพระมเหสีทั้งสี่พระองค์ผู้งดงามทัดเทียมกับทอง มีพระวรากายอันอ่อนชลมด้วยจูนแก่นจันทร์ทำไมหนอพระเจ้าเอกราผู้ทรงหลงงมงายจากทรงบูชายันด้วยข้าพเดีทั้งสี่คนผู้งดงามทัดเทียมกับทองมีร่างกายชลมด้วยจุนแก่นจันทร์ค า, านิคมทั้งหลายจะว่างเปล่าไม่มีคนอยู่กลายเป็นป่าใหญ่ไปชั้นใดบุพพวดีนครก็จะเป็นฉันนั้น ในเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกบูชายันพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพมอมฉันจะ ก, กลายเป็นคนวิกลจริตถูกขจัดความจเจริญมีร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นทุลีถ้าเขาฆ่าจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันจะแตกสลายข้าแต่ส ม, มุติเทพม่อมฉันจะ ก, กลายเป็นคนวิกลจริตถูกขจัดความเจริญมีร่างกายเปรอะปื้อนไปด้วยฝุ่นทุลี ถ้าเขาฆ่าสุริยกุมารชีวิตของหม่อมฉันจะแตกสลายพระราชาตรัสว่าเพราะเหตุไรสะพายของเราเหล่านี้คือนางคติ ก, กานางอุปริขีนางโบคารณีและนางพาริกาต่างก็กล่าวปียวาจา ก, กันและกันฟอนรำอยู่ในสำนักของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารจึงไม่ทำให้ลูกๆของเราเรื่นรมได้ หญิงอื่นที่จะเสมอเหมือนกับสะพายสี่คนนั้นไม่มีพระเทวีคร่ำครวญกับลูกสะพายสาบแช่งขันธหราปุโรหิตว่าเจ้าขันธหระความโศกเศร้าเสียใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อจันท ก, กุ ม, มารถูกเขานาไปฆ่าแม่ของเจ้าจงประสบความโศกเศร้าเสียใจของเรานี้เจ้าขันธหระความโศกเศร้าเสียใจใดย่อมเกิดมีแก่เรา ในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานําไปฆ่าแม่ของเจ้าก็จงประสบความโศกเศร้าเสียใจของเรานี้เจ้าขันธหระความโศกเศร้าเสียใจใดย่อมเกิดมีเคยเราในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปฆ่าพัญญาของเจ้าก็จงประสบความโศกเศร้าเสียใจของเรานี้เจ้าขันธหระความโศกเศร้าเสียใจใด ย่อมเกิดมิแก่เราในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานำไปฆ่าภันยาของเจ้าก็จมประสบความโศกเศร้าเสียใจของเรานี้เจ้าขันธหาละเจ้าเรียฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้มีคิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสีแม่ของเจ้าก็อย่าได้เห็นลูกลูกและสามีเลยเจ้าขันธหาละเจ้าได้ยกฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้เป็นที่มุ่งหวังของชาวโลกทั้งมวล แม่ของเจ้าก็อย่าได้เห็นลูกๆและสามีเลยเจ้าขันธหะละเจ้าได้หฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้ม่คิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสีพัญญาของเจ้าก็อย่าได้เห็นลูกๆและสามีเลยเจ้าขันธหะละเจ้าได้ฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้เป็นที่มุ่งหวังของชาวโลกทั้งมวลพัญญาของเจ้าก็อย่าได้เห็นลูกๆและสามีเลย จันทกุมารกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกฆ่าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข่าพระองค์ให้เป็นท่าของขันทหาละปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข่าพระองค์จะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกฆ่าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกฆ่าพระองค์ให้เป็นท่าของขันทหาละปุโรหิตเถิด ถึงแม้พวกฆ่าพระองค์จะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาได้ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ข่าพวกฆ่าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกฆ่าพระองค์ให้เป็นทาาของขันธ์ทหาละปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกจองจําด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลช้างให้เขาได้ข้า enfin, well. แต่สมุติเทพขอพระองค์อย่าได้ข่าพวกฆ่าพระองค์เลย โปรพระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาตของขันท่าหาละปุโรหิตที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์จะถูกขับไล่จากแคว้นก็จะเที่ยวิคขาจารเลี้ยงชีวิตข้าแต่ส ม, มุติเทพหญิงทั้งหลายผู้ปรารถนาบุตรแม้จะเป็นคนยากจนก็วิงวอนขอบุตรต่อเทพบาเจ้าหญิงบางพวกละปฏิพานแล้วไม่ได้บุตรก็มีหญิงเหล่านั้นย่อมทําความหวังว่า ขอบุตรจงเกิดแก่เราแต่นั้นขอห ล, นหลานๆจงเกิดอีกข้าแต่ส ม, มุติเทพเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์รับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์เพื่อต้องการจะทรงบูชายันด้วยเหตุอันไม่สมควรข้าแต่พระบิดาคนทั้งหลายได้บุตรด้วยการวิงวอนขอพระองค์อย่าได้รับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์เลยขออย่าทรงบูชายันนี้ด้วยบุตรทั้งหลายที่ได้มาโดยยาก ข้าแต่พระบิดาคนทั้งหลายได้บุตรด้วยการวิงวอนขอพระองค์อย่าได้รับสั่งให้ข่าพวกข่าพระองค์เลยขออย่าได้พรากพวกข่าพระองค์ผู้เป็นบุตรที่ได้มาโดยยากจากมารดาเลยข้าแต่พระมารดาพระมารดาย่อมย่อยยับเพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารด้วยความลำบากมากลูกขอกราบพระยุคลบาทของพระมารดาขอพระราชบิดาทรงได้ปรโลกเถิด เชิญพระมารดาจงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบาทมาให้ลูกกราบไหว้เถิดลูกจะจากไปหนบัดนี้เพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญของพระเจ้าเอกกราชเชิญพระมารดาจงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบาทมาให้ลูกกราบไหว้เถิดลูกจะจากไปหนบัดนี้ทำความโศกเศร้าพระทายให้แก่พระมารดาเชิญพระมารดาจงสวมกอดลูก แล้วประธานพระยุ ค, คลบาทมาให้ลูกกราบไหว้เถิดลูกจะจากไปณบัดนี้ทำความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ประชาชนพระมารดาตรัสกับจันท ก, กุมารว่าเชิญเถิดลูกโคตมีเจ้าจงรัดเมาลีด้วยใบบัวจงประดับดอกไม้อันแซมด้วยกลีบจำปานี้เป็นปกติของเจ้าที่มีมาเก่าก่อนเชิญเถิดเจ้าจงไลทาเครื่องรูปไล คือจันแดงอันเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าเจ้าไล้ทาด้วยจุนแก่นจันแดงนั้นแล้วย่อมงามในราชบริษัทเชิญเถิดเจ้าจงนุ่งผ้าของชาวแควนกาสีเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นผ้าเนื้อละเอียดอ่อนนุ่มเจ้านุ่งผ้ากาศิกพัฒนั้นดีแล้วย่อมงามในราชบริษัทเชิญเจ้าประดับหัตถาพรอันเป็นเครื่องประดับทองคาฝังแก้วมุกดาและแก้วมณี เจ้าประดับหัตถาพรนั้นแล้วย่อมงามในราชบริษัทพระเทวีกราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองรัฐเป็นทายาทของชนบทผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระในโลกนี้จะไม่ทรงทาความสเสน่หาให้เกิดในพระโอรสแน่ละหรือพระราชาตรัสว่าแม้ลูกก็เป็นที่รักของเราตนเองก็เป็นที่รักเธอและพัญญาทั้งหลายก็เป็นที่รักของเรา แต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงจักข้าให้ได้พระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพอันดับแรกขอพระองค์จงรับสั่งให้ข้าหม่อมฉันเถิดขอทุกอย่าได้ทำลายหัตไทยของหม่อมฉันเลยพระโอรสของพระองค์เป็นสุขุมาลชาตประดับแล้วงดงามข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าเชิญเถิดขอพระองค์ได้โปรดข้าหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันจะอยู่กับจันทกุมารในปรโลกขอพระองค์ทรงทําบุญให้ภัยบุญเถิดหม่อมฉันทั้งสองจะท่องเที่ยวไปในปรโลกพระราชาตรัสว่าจันทาผู้มีในตาโตเจ้าอย่าชอบใจความตายเลยโคตมีบุตรถูกเราบูชายันแล้วผัวพี่ผัวน้องผัวของเจ้าเป็นอันมากเหล่านั้นจะทาให้รื่นรมใจได้ เมื่อพระราชาได้ตรัสอย่างนี้แล้วพระนางจันทาเทวีทรงตีพระองค์เองด้วยฝ่าพระหัตถ์พอทีด้วยชีวิตในโลกนี้เราจะเดิมยาพิษตายพระญาติและมิตรผู้มีหะไทยดีของพระราชาพระองค์นี้ย่อมไม่มีแน่แท้จึงไม่ทูลทัดทานพระราชาว่าอย่าได้รับสั่งให้ฆ่าบุตรทั้งหลายผู้เกิดแต่พระอุระเลยพระญาติและมิตรผู้มีหไทยดีของพระราชาพระองค์นี้ ย่อมไม่มีแน่แท้จึงไม่ทูลททานพระราชาว่าอย่าได้รับสั่งให้ฆ่าบุรพวกเกิดแต่ตนเลยบุรของหม่อมฉันเหล่านี้ประดับพวงดอกไม้สวมกำไลทองต้นแขนขอพระราชาทรงบูชายันด้วยบุรของหม่อมฉันเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ทรงปล่อยบุรโคตมีเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่มหาราชขอจงฆ่าหม่อมฉัน แบ่งออกเป็นร้อยส่วนแล้วบูชายันเจ็ดส่วนขออย่าทรงฆ่าบุตรองค์ใหญ่ผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสีเลยข่าแต่มหาราชขอจงฆ่าหม่อมฉันแบ่งออกเป็นร้อยส่วนแล้วบูชายันเจ็ดส่วนขออย่าทรงฆ่าบุตรองค์ใหญ่ผู้เป็นที่มุ่งหวังของชาวโลกทั้งมวลเลยจันทกุมารตรัสกับพระนางจันทาเทวีว่า เครื่องประดับเป็นอันมากล้วนแต่ของดีๆเค้าแก้วมุกดากแก้วมณีและแก้วไพลทูลที่เราให้แก่เจ้าในเมื่อเจ้ากล่าวคำดีนี้เป็นของที่เราให้แก่เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพระนางจันทากราบทูลว่าเมื่อก่อนพวงดอกไม้ที่บานเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขารับคมดีแล้วจากตัดที่พระศอของพระกุมารเหล่านั้น เมื่อก่อนพวงดอกไม้ที่วิจิตเคยสวมที่พระศอของพระกุมาเรเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขารับคมดีแล้วจากตัดที่พระศอของพระกุมารแม้เหล่านั้นไม่นานนอดาบจากตัดที่พระศอของพระราชบุตรทั้งหลายส่วนฮะไทยของเราก็ยังไม่แตกตราบเท่าที่มีเครื่องผูกมารัดเราไว้แน่นจันทกุมารและสุรยกุมารทรงผ้าแคว่ากาสีอันขาวสะอาด ประดับกุนทนไล้ทากลิศนาและจุนแก่นจันถูกราชบุรุษนำไปบูชายันเพื่อพระเจ้าเอกราชจันทกุมารและสุริยกุมารท่งผ้าควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไล้ทากลษณนาและจุนแก่นจันถูกนำออกไปทำความเศร้าพระทัยแก่พระมารดาจันทกุมารและสุริยกุมารส่งผ้าคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทน ไลทากฤษศนาและจุนแก่นจันถูกนําออกไปทําความเศร้าใจให้แก่ประชาชนจันทกุมารและสุริยะกุมารเสวยพระกรยาหารที่ปรุงด้วยรสเนื้อที่ช่างสนานให้สงสนานดีแล้วประดับกุนทนไลทากฤษศนาและจุนแก่นจันถูกราชบุรุษนําไปบูชายันเพื่อพระเจ้าเอกกราช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 ถูกนำออกไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชาชนเมื่อเขาตกแต่งเครื่องบูชายันครบทุกสิ่งแล้วเมื่อจันทกุมารและสุรยกุมารประทับนั่งเพื่อประโยชน์จากการบูชายันพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาและประนมพระหัต์เสด็จดำเนินเวียนไปในระหว่างบริษัททั้งปวงได้ทำสัจจะกริยาว่าขันธหาละผู้มีปัญญาสามได้ทากรรมชั่วด้วยสัจจะอันใด ด้วยสั จ, จวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีอมนุษย์ก็ดียักษ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดแล้วและที่จะมาเกิดก็ดีมีอยู่ในที่นี้ขอจงทาความนขนควช่วยเหลือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีเราเทวดาที่มาแล้วณที่นี้สัพสัตที่เกิดแล้วและที่จะมาเกิด ขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งสแสวงหาที่พึ่งข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยเท้าสักกะเทวราชทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระนางจันทา น, นั้นแล้วทรงกวัดแกว่งคอนเหล็กยังความกลัวให้เกิดแก่พระเจ้าเอกราชนั้นแล้วได้ตรัสกับพระราชาดังนี้ว่าพระราชากาลีขอท่านจงรู้ไว้ อย่าให้เราต้องทุบเสียงของท่านด้วยค้อนเหล็กนี้เลยท่านอย่าได้ฆ่าบุตรองค์ใหญ่ผู้มิคิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีพระราชากาลีท่านเคยเห็นที่ไหนคนที่ปรารถนาสวรรค์ต้องฆ่าบุตรพัญญาเศรษฐีและขหาพดีผู้ไม่คิดประทุษร้ายขันธหราปุโรหิตและพระราชาได้ฟังพระดารัดของท้าวส ก, กะนั้นแล้วได้เห็นรูปอนนันนาอัศจ ร, รัญ จึงได้แก้เครื่องจองจำสัตว์ทั้งปวงออกเหมือนแก้เครื่องจองจำสัตว์ผู้ไม่ต้องถูกฆ่าออกฉะนั้นเมื่อชนทั้งปวงพ้นจากเครื่องจองจำแล้วคนที่มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นในเวลานั้นทุกคนใช้ก้อนดินคนละก้อนทุ่มลงนั่นคือการฆ่าขันทหารแลปุโรหิตคนที่ทำกรรมชั่วต้องตกนรกทั้งหมดชั้นใดคนที่ทำกรรมชั่วแล้วจากโลกนี้ไป ก็ไม่พึงได้การไปสู่สุคติเลยฉันนั้นเมื่อชนทั้งปวงพ้นจากเครื่องจองจําแล้วคนที่มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นในเวลานั้นก็คือราชบริษัททั้งหลายมาประชุมกันอภิเสกจันทกุมารเมื่อชนทั้งปวงพ้นจากเครื่องจองจําแล้วคนที่มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นในเวลานั้นก็คือราชกัญญาทั้งหลายมาประชุมกันอภิเษกจันทกุมาร เมื่อชนทั้งปวงพ้นจากเครื่องจองจําแล้วคนที่มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นในเวลานั้นก็คือเทพบริษัททั้งหลายบูชายันด้วยโคอุสภาราชสี่ตัวนกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อจงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งบุพาวดีนคนเรเถิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้ทรงหลงงมงายจะบูชายันด้วยสัตว์ทุกจําพวกอย่างละสี่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 น่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่าอโศของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานําไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่ากัิากาของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชนนี่ป่าแคฝอฟของท่านมีดอกบานสะพรั่งทุกเวลาน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชนนี่สวนมะม่วงของท่านมีดอกบานสะพรั่ง <Stud> ท <San ern th meats> ุกเวลาน่า <però> ร <sincer tres nochmal> ื no. ่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อปลงพระชนนี่สระบครีของท่าน ที่ดารรดาดไปด้วยดอกบัวหลวงดอกบัวขาวและเรือที่กระจิต ด, ด้วยทองคํางดงามด้วยลวดลายเคลือวันสุ